เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนเราเชื่อต่อการกระทานี่เนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นหลักของพุทธศาสนามืนในผู้ที่อยู่คราวาดคลองเลื่อนก็ต้องทำดีอย่างคราวาดผู้คลองเลื่อน ถ้เป็นนักบวชอย่างนี้นะมันก็ต้องทำดีตามวิถีทางของนักบวชนักบวชนควรจะทำยังไงบ้างก็ทำตามหน้าที่ของตนให้มันสมบูรณ์แบบการบวชมันก็ถึงได้ผลเรามันต้องให้เข้าใจอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าบวชมาตามเมเพนีเฉยๆถ้าคิดอย่างนั้นอย่าไปบวชเลยผู้ใดก็ดีกม <c oughs> ่าวว่าบวชให้พ่อให้แม่อย่างนี้นะจะไปบวชให้พ่อให้แม่ได้อย่างไรโตไม่มีคุณทำอะไรบวชเข้ามาแล้วไม่ไม่บาเพ็ญภาวนาไม่ไมไมไมไม จะเรินกุศลธรรมไม่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้จะไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ยังไงอ่ะพระเจตนาบวดแทนพ่อแม่เพียงแต่ ว, ว่าได้บวชมาเป็นพระเป็นเลนแล้วก็ว่าได้บวชให้แล้วว่อนี่อย่างนี้มันไม่ถูกต้อง ต้องบวชให้ตัวเองนีลยก่อนอื่นทั้งหมดนะเมื่อบวชให้ตัวเองแล้วก็จึงเพื่อแผ่ไปถึงมารดาบิดาโกงสาคนายาคตลอดถึงสรรพสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อตอนมีบุญแล้วนะตนสั่งสมบุญในเกิดในใจมากแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลนั่นไปให้แก่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์โลกทั้งหลายอย่างนี้มันก็จึงสมควรเหมือนอย่างคนที่มีเงินหลายๆอย่างนี้เอาไปแจกคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่มดคนอื่นก็ได้พอยได้อาศัยด้วยถ้าคนมีเงินน้อยเนี่ยใครจะกล้าเอาไปแจกคนหมู่มากได้ล่ะมันจะพอหรือตัวเองก็จะลงจนซ้ำํำนะนะเมื่ตอตนเองมีกุศลความดี แต่นอ้อย่างนี้นะแล้วจะไปแบ่งให้ผู้อื่นมันจะได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้ดังนั้นต้องให้คิดให้ดีเราบวชมาเพื่อที่จะตอบบุญแทนคุณมารดาวิดาองศาคนาญาติครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ในทางโลกทางธรรม อย่างนี้นี่เราบวชมาแล้วก็ต้องใจศึกษาเราเรียนทมวินนยให้ได้เลียวก็ลงมือประพฤติธปฏิบัติทำจิตใจให้ได้ทำจิตใจให้ส ง, งบใจที่ส ง, งบนี่แหละเป็นบอกเกิดแห่งบุญแห่งกุศล ไอบุญกุศลมันจะเกิดไม่ได้ถ้าจิตใจยังพุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่อย่างนี้แล้วบุญกุศลมันจะเกิดไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจเห็นด้านท่านจึงเรียกว่าอบรมบ่มอินทชีให้แก่กล้าคำว่าบ่มอินชีก็เหมือนอย่างบ่มผลาไม้นั่นนี่แล้วก็เอาใส่ ภาชนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพ น, นี้ก็ปกปิดให้ดีมีทำความอบอุ่นให้แก่ผลไม้นั้นให้อยู่นิ่งๆนานไปผลไม้นั้นมันก็สุกเร็วขึ้นอย่างนี้นี่ทันใดการที่เราจะอบรมบอมอินซีให้แก่กล้า ขึ้นมาได้เนี่ยก็เรียกว่าเรามาพยายามฝึกใจทำใจให้ส ง, งบนี่นะเมื่อใจส ง, งบลงไปแล้วกี่เลดมันไม่รบ ก, กวนจิตใจใจก็ไม่ฟุ้งซ่านมเมื่อใจส ง, งบแล้วเลือกคิดอะไรก็เป็นประโยชน์ทนี้ความคิดมันเป็นสินเป็นธรรมไปเลยเรียก ว, ว่า มันมีอิสระในการคิดในการพิจารณาไอ้ส่วนที่ใจไม่สงบนั้นนะถูกกิเลสมันปั่นเอาอยู่การที่จะพิจารณาเรื่องอะไรก็ไม่สามารถจะเห็นแจ่มแจ้งได้มันเป็นอย่างงั้นเพราะว่าใจมันหวั่นไหวอยู่ดังนั้นเนี่ย การทำใจสงบระ ง, งับจึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆสำหรับบุคคลผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภายในสงสารแล้วก็อยากพ้นทุกข์มันนี่มันจะใครจะเป็นผู้พ้นทุกข์มันนี่ก็จิต ด, ดวงเดียวเท่านี้พ้นทุกข์จะมีอะไรพ้นล่ะร่างกายมันก็ เหลือแต่กระดูกกับเท่าเราก็รู้กันอยู่ทุกคนแล้วไอ้พวกที่ฝังนานไปมันก็เหลือแต่กระดูกนั่นแอืมพวกที่เผามันก็เหลือแต่กระดูกเหมือนกันแลวเท่ามันก็นละลายไปอย่างนี้นะแล้วเราจะไปเอาอะไรกับร่างกายอันนี้ในเมื่อจิต ถอนออกไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยให้คนไปเปล่าๆก็ไม่มีใครเอาเดีย๋ยวว่าจะประกาศขายเลยอันนี้มันควรคิดควรพิจารณานดูที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตายแล้วไปตกนรกไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็จิตตรงนี้แหละ มันไปเกิดอกุศลบาปกรรมนำพาให้ไปเกิดในทุกขติภูมินั้นไอ้อย่างนี้นะแล้วแม้ไปสวรรค์ก็จิตดวงนี้จิตดวงนี้ยึดมั่นในบุญกุศลได้แล้วก็มีคุณธรรมหริโอัตปปะธรรมอยู่ในใจเสมอ ละอายต่อการกระทําความชั่วทั้งในที่รับในที่แจ้งกลัวต่อความชั่วแล้วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาจึงระมัดระวังกายว่าจาใจของตนอยู่เสมอระวังว่าความชั่วมันจะกระทบกระทั่งมาเมื่อไรเวลาใดนี่นะเพราะว่าอยู่ในโลกสันิวัตอันนี้นะ มันพบทั้งดีทั้งชั่วแต่ละวันแต่ละคืนดังนั้นเมื่อผู้ใดไม่ระมัดระวังตัวเองอยู่เมื่อเจอกับความชั่วเข้านี่ก็ตื่นเต้นวันไวโกรธเกลียดเสียใจเศร้าโศกอะไรต่ออะไรไปอะไรแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่ระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอนั่นน่ะ ผู้ใดมีสติสมบัติเสียงคอยระมัดระวังสำรวมจิตใจตัวเองอยู่เสมอใจตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณอยู่แค่นี้มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้ทันมันก็ไม่ทันได้วันไหวไปกับเรื่องนั้นนั้นเพราะว่าเราได้เจริญปัญญาอยู่เสมออยู่ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปูวนแตกดับไปอารมณ์หรือว่าเรื่องต่างที่เกิดขึ้นนั้นรวมเรียกว่าสังขารไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรอย่าไปหลงสมมุติสมมุตินั้นไม่มีสิน้นสุดเราต้องถือทมเป็นใหญ่ ในทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาลงในปรมตถธรรมในปรมตถธรรมนั้นนะมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่สภาพที่บังเกิดขึ้นแล้วแปรควรแตกต่ับไปท่านก็วัญญันีว่าสังขาร นี่ต้องต้องรู้ต้องเรียนรู้ต้องภาวนาสิ่งที่เกิดขึ้นแปลปวนแตกดับไปมีทั้งสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิ่งที่ไม่มีวิญญาณคลองนี่รวมเรียกว่าสังขารสิ่งที่มีวิญญาณคลองก็ได้แก่มนุษย์ สัตติดดริชานที่เรามองเห็นกันอยู่นี่แหละสิ่งที่ไม่มีวิญญาณคลองก็ได้แก่ดินหินกรวดทรายน้ำไฟลมต้นไม้ใบหญ้าดินฟ้าอากาศต่างๆภูเขาเรากอต่างๆหมูนี้นะหมู่นี้ท่านเรียกว่าสังขารที่ไม่มีวิญญาณ คลองคือไม่มีจิตไปปฏิสนธิอยู่ในลูกประทาเหล่านั้นเราภาวนานะต้องพิจารณาลงไปให้มันถึงปรมตถธรรมถึงธรรมอันยิ่งถึงธรรมอันจริงนี่ธรรมอันยิ่งก็หมายความว่ามันเป็นสภาพที่จริง ไม่มีสมมุติบรญญัติคือว่าสภพาวธตาร์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเองเป็นเองอยู่นั้นเกิดขึ้นแล้วก็แปรพรวนแตกดับไปแต่ส่วนที่สังขารที่มีวิญญาณครองเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยนำให้เกิดอย่างที่เคยพูดอยู่บ่อยอยู่นั้นเนี่ย เหตุปัจจัยก็คือกรรมดีกรรมชั่วที่คนเรากระทำเอามาหรือถ้าจะว่าตามเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทก็ได้แก่อวิชชาความไม่รู้อวิชชาตัณหากรรมถ้าว่ารวมๆนะอวิชชาความไม่รู้ใครไม่รู้จิตนี่แหละไม่รู้ ไม่รู้ในสมมุติไม่รู้วัน ญ, ญัดไม่รู้ปรามัดนี่นะอืเมื่อไม่รู้สมมุติมันก็ติดอยู่ในสมมุติสมมุติว่าเขาสมมุติว่าเราสมมุติว่ายิงว่าชายสมมุติว่าหนุ่มสาวสมมุติว่าคนแก่สมมุติวัยกลางคนอะไรอย่างนี้นะเมื่อ เมื่อถูกสมมุติเคยเนี่ยก็สำคัญว่าตนเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคนอื่นก็สำคัญว่าคูนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้นะจะ่ที่แท้แล้วเป็นได้เพียงสมมุติความจริงเนี่ยมันไม่ใช่นี่มันเป็นสภาวธรรมต่างหากรูปร่างกายทุกส่วน หรือตลอดถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ต, ต, ต, ต้นไม้ใบหญ้าหินกัวดทรายอะไรพวกนี้นะมันก็เป็นแธาตุดิ น, นของเหลวก็เป็นธาตุน้ําไปซะของร้อนก็เป็นธาตุไฟสิ่งที่พัดไปพัดมานี่ก็เป็นธาตุลมไอธาตุเหล่านี้ก็สมมติเอาเหมือนกันอีกแหละถ้าไม่สมมติก็ไม่รู้ว่านี้นั่นเนี่ยไม่รู้ แต่สมมุติมาแล้วต้องพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เท่าโลกเขาสมมุติกันมาอย่างไรเราก็ว่าไปตามเขาอย่างนั้นแหละแต่ว่าภ า, ายในจิตใจมันนักไม่ได้สำคัญว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็น ต, น, ตนอะไรมนุษยรู้อยู่ว่าไม่ใช่สัตบุคคลอะไรมีแต่สภาวะ ธาตทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วแปรโวนแตกดับไปเท่านั้นเองเนี่การฝึ ก, กจิตใจให้สงบระ ง, งับเจริญปัญญาก็เพื่อจะให้รู้จริงตามเป็นจริงในสัพสังขารทั้งปวงดังกล่าวมานี่แหละมเมื่อรู้จริงแล้วเป็นยังไงอ่ะ ก็เมื่อรู้จริงแล้วมันก็ไม่ถือมัน่นมันก็ปล่อยวางได้คาว่ารู้จริงเนี่ยก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราของเขานั่นเองเนี่ยเป็นแต่สภาวธาตุอยู่ตามธรรมดาอาศัยเหตุปัจจัยนํามาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกดับลงไปเป็นธาตุอยู่ของเก่าอย่างนี้นะเออ่รูปร่างกายอันนี้เนะี่ย หรือตลอดถึงต้นไม้ใบหญ้าก็ลองสังเกตดูเป็นไงอ่ะมันเจริญเติบโตขึ้นแล้วถึงฤดูการใบมันก็เหี่ยวแห้งล่วงหล่นลงสู่พื้นดินนานเข้าก็กลายเป็นธาตุดินไปแม่ลําต้นมันก็เหมือนกันถ้าไม่มีคนตัดมันอยู่นานไปมันหมดอายุของมันแล้วมันก็ตายยืนอยู่นั้นเนี่ย นานไปผุพังลมพัดกระหักโค่นลงสูดินเอาถูกไฟไหม้เป็นเถ้าเป็นถ่านเป็นดินไปของเก่ามันไม่พ้นจากาธาตุสิ่งใดก็ตามที่เกิดเป็นขึ้นอยู่ในโลกอันนี้มันก็เกิดจากาธาตุนั่นเองแล้วมันแตกตับลงไปมันก็ไปเป็นาธาตุอยู่ของเก่าอย่างนี้นะนับตั้งแต่ร่างกายนี่แหละออกไป ก็จงพากันพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วมันจะไม่ได้สงสัยแล้วมันจะบรรเทาเสียได้ซึ่งความโลภความโกรธความหลงแล้วมันจะไปโลภไปเอาอะไรทุกสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของเรามันเป็นสรพวธรรมตัตต้งหากจิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อมันโลภไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาก็เป็นบาปเป็นโทษทีนี้บาปนั้นก็ตามสนองให้เป็นทุกข์เมื่อจิตมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่โลภไม่ชิงไม่แย่งเอาของใครนี่อันที่ว่าพิจารณาเห็นเป็นสภาวธารมลงไปแล้วนะมันก็บันเทาเสียซึ่งความโลภได้อย่างนี้แหละบรรเทาเสียซึ่งความโกรธ มันจะโกรธใครแล้วมองดูไม่มีใครไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่จะให้โกรธจิตใจมันรู้ขึ้นมาอย่างนี้มันก็บรรเทาความโกรธได้ท่านไม่รู้อย่างนี้นะมันก็สาคัญว่าเป็นสัตว์เป็นคนเหมือนสาคัญอย่างไรก็ว่าสาคัญว่าคนนั้นเบียดเปียนเราคนนั้นดูถูกดูเมินเรา คนนั้นไม่เคารพนับถือเราอะไรอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นไปอย่างนั้นเอาแหละเมื่อเขาแสดงบทบาทที่ไม่พอ พ, พอใจของตนเขาร่วงเกินเข้าไปนิดหน่อยก็โกรธแล้วไม่พอใจเลยเพราะสำคัญว่าเขาทำให้เราเขาเบียดเบียนเราเนี่ยนี่แหละโลกมนุษย์เราเหตุที่มันจะได้ จองเวียนจองกรรมกันทำลายล้างผานซึ่งกันและกันก็พ้นหลกเพราะว่มามันหลงสมมุติหลงบัญญัติไม่ได้เจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นมองเห็นสังขารคือสภาพถูกกุุงแกงทั้งหลายตามความเป็นจริงมันมองไม่เห็นหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยต่อเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ได้ลงมือปฏิบัติฝึกหัตธรรมาธิ ภ, ภาวนาเข้าไปเมื่อใจสงบลงไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นนั่นแหละมันถึงจะมองเห็นสังขารทั้งหลายที่ทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองนี่ตามความเป็นจริงแล้วก็บรรเทาความโลภความโกรธความหลงลงได้ไอความหลงก็เหมือนกันนะ ก็เพราะมันหลงมันไม่รู้จริงนั่นแหละมันจึงจิตใจยังแปลปวนไปตามหน้าแห่งความโลภความโกรธความหลงนั้นมเมื่อเราได้ภาวนาลงไปจิตใจตั้งมั่นลงไปปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็หายหลง ม, มันมองเห็นว่าอ๋อร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ของเราจริงจังหนอ มันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนไปในถ้ำคลางแตกดับในที่สุดหมดเหตุหมดปจมัจจัยมาแล้วมันก็แตกดับไปไม่มีอะไรตั้งยั่งยืนอยู่ได้นี่นะเมื่อพิจารณาเห็นอยู่เนี่ยมันก็บรรเทาความหลงนั่นได้ความหลงความเห็นผิดว่ามีเรามีเขาหัดก็ดับไปนี่เป็นอย่างนั้น ไอความรู้ความเห็นที่ว่าในร่างกายทุกส่วนนี้ไม่มีเขามีเราอยู่ในนี้เลยมันก็เกิดขึ้นมาแทนกำหนดที่จะนาเวลาก็เวลาใดก็เห็นว่ามีแต่สภาวธท่านั้นในร่างกายอันนี้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรอยู่ในนี้ที่ว่าสัตว์ว่าบุคคลก็สมมุติว่าเอาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะี่นี่นะก็เมื่อจิตเห็นอยู่เนี่ยมันก็ จิตก็วางเฉยลงได้เพราะว่าไม่ใช่ของเรานี่เป็นสาภาวะธรรม ส, า ภ, าสาภาวะธาตุต่างหากเราจะไปโมเมถือมันอเป็นของเราจะไปได้ยังไงอ่ะถ้าเป็นของเราก็บังคับได้แหลอบังคับมาให้มันแตกมันทําลายลงไปมันก็จะไม่แตกไม่ทําลายได้ร่างกายอันนี้มาแล้วก็จะอยู่ยั่งยืนไปตลอดกาลนานนี่ แต่นี้มันไม่เป็นไปตามใจหวังอย่างว่านั่นี่เมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็คลายความยึดความถือคำว่าเข า, าเราลงนี่นี่หละจะเป็นทางพ้นทุก์ไปได้นะขอให้พากันเข้าใจไอ้ของเหล่านี้มันมีจริงอยู่แท้ๆนะตาหนังก็มองเห็นอยู่นี่ไม่ไม่ใช่ว่าจะไปมองเห็นแต่ตาใจตาในในนั้นอย่างเดียว ตาหนังก็มองเห็นได้อยู่อย่างผู้ที่เกิดไม่ใหญ่ทีหลังยังหนุ่มยังแน่นคันมองตัวเองนี่ก็ไม่เห็นความแก่ความสุดโทรมตรงไหนวันนี้ก็มองดูคนที่เพื่อนเกิดก่อนดูสิมองดูผู้ที่เกิดก่อนนะั่งรู้สึกว่าร่างกายชํารุดสุดโทรมลงไปมากจนว่าเกือบแทบจะอาศัยไม่ได้อยู่แล้ว นี่แม้ฉันใดผู้เกิดไม่ใหญ่ทีหลังมานี่อยู่นานปีนานเดือนไปร่างกายนี่มันก็สุดชมไปเหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่พ้นไปได้สักคนเดียวเลยเมื่อปั่นพิจารณาเห็นภายนอกนี่แล้วก็น้มเข้าไปภายในพิ่นานดูภายในมันก็ชำรุดสุดชมไปก็เคยพูดอยู่บ่อยๆแล้วว่า ร่างกายอันนี้มันพอประทังอยู่ได้นี่นะมันเปล่งปังอยู่ได้นี่เพราะอาหารตั้งห่างนี้ถ้าหยุด เ, เลี้ยงอาหารมาแล้วมันจะเปล่งปังอยู่ไม่ได้ทุกทิ้งลงไปทันทีเลยเหี่ยวแห้งไปเลยนี่นะดันที่พอมันเป็นอยู่ไปได้นี่โอ้ยเรื่องอาหารแท้ๆเหนุามานุษย์เราจึงได้วิเต้นขอนไขาหาอาหาร มาเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวของใครของเราอยู่อย่างนั้นขาดวันหนึ่งไม่ได้เลยถ้าเป็นอันว่าไม่มีอันณับประทานวันหนึ่งแล้วก็เดือดร้อนกันทั้งบ้านเลยมันเป็นอย่างนี้หลงพิจารณาดูให้มันดีว่าร่างกายนี้ว่ามันไม่เที่ยงนะมันก็เป็นความจริงเนี่ย ต้องได้อุปธรรมบำรุงไว้นี่มันจึงประทังอยู่ได้อย่างนี้ก็มาใช้บุญเก่ากรรมเก่าที่ตนได้ทำ ม, มาแต่ ก, ก่อนนั้นออมาช่วยรักษาชีวิตนี้มาให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้นนี่อำนาจของบุญรักษาไว้นี่นะเถีงไม่มีภัยอันตรายใดๆอา้าวคน อยู่ร่วมกันหลายคนอามูหนึ่งก็ไปถูกฆ่าตายเสียไอ้คนหนึ่งมันรอดไปได้มันเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนั้นอ่านี่แหละมันจึงที่บอกว่าไอ้เรื่องกรรมดีกรรมทั่วนะ่ะมันเป็นความจริงอย่างนี้เพราะว่าเมื่อบุญตามรักษาเขาอยู่คนนั้นทางใดมันจะเป็น ภัยอันตรายเนี่มันก็บรรดาลให้ไม่ให้ไปซะมันให้ไปทางที่มันไม่มีภัยอันตรายนั้นอ่าอย่างนี้แหละนี่แหละึ้นชื่อว่าบุญแล้วพราะพระพเจ้าจึงตรัสว่าอันบุญนี่น่ะได้ชื่อว่าเป็นมิตรเป็นญาติเป็นสหายที่ใกล้ชิดสนิทสนมที่สุดเลยแล้วก็ให้ความอนเคราะ์เกื้อกูล แก่บุคคลผู้บำเพ็ญได้เกิดมีขึ้นโดยแท้แน่นอนทีเดียวไม่มีเรียกว่าบุญกุศลเป็นยุติธรรมกันแล้วกันเนี่ยไม่มีลำเอียงผู้ใดทำบุญกุศลมากหรือน้อยเท่าใดบุญกุศลมันก็ตามอํานวยความสุขความปลอดภัยให้แก่ผู้นั้นเท่านั้นแหละเป็นอย่างนี้ ก็ลองสังเกตรหรือฟังข่าวดูสินั่นนี่บุคคลผู้ที่กำตายโหงไม่มีอย่างนี้นะแล้วพวกที่กำตายโหงมีเอามันก็ขึ้นเครื่องบินไปพวกใดกำตายหงไม่มีเขาไปไล่ลงอย่างนี้ก็มีข่าวนั่นนะ่ะก็ต้องลงไปบางคนก็มีกิตุระจำเป็น อ้าวไปไม่ได้เที่ยวบินนั่นนะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่เขาของดขอไปเที่ยวหน้าอืมอบังเอิญเที่ยวหน้นาก็เครื่องบินไปตกตายซะอย่างนี้นะนี่แล้วจะว่าไงบัด น, นี้นะจะว่าบังเอิญหรือไงอะแต่ในทางพุทธศาสนาไม่ได้ว่าบังเอิญแหละก็แสดงว่าบุญของเขามีเขาไม่ได้ทำกรรมชั่วอย่างร้ายแรงมาแต่ก่อน บุญตามรักษาเขาให้เขามีชีวิตตลอดปลอดภัยคำตายโหงไม่มีพูดง่ายๆอย่างนี้บุคคลผู้ไม่รู้แจ้งอย่างนี้นะไปเที่ยวถือผีถือสางไปไหวเทวดาให้มาช่วยรักษาชีวิตของตัวเข้าใจผิดเอาสนัดเลยหน้าขันจริง ๆ, ๆอย่างคนเรานี่นะ่ะ เทวดานั้นไม่ทราบอยู่ที่ไหนบ้นีอน้อ้นวอนหายอย่างนั้นเลยปฏิบุบุษกุศลความดีที่ตนทำมาโดยลำดับวันนี้ไม่นึกถึงเนยไม่เนอืบไปนึกถึงเทวดา น, น, นู่นนั่นแหละไปนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกตามความนิยมสมมุติที่พูดกันมาอม ไม่พูดเปล่าๆแล้วยกหอยอหานยอหิ่งขึ้นไปในประเด็นก็มีข้าวต้มน้มหวานเนื้อสัตว์อะไรบวงสวงเข้าไปอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายหุมมเทวดาลุกขะเทวดาหมนี่ขอได้มาพกปักรักษาลูกหลาน อย่าให้มีภัยอันตรายแต่แท้ที่จริงเนี่ยเทวดานั้นมีอยู่แต่ว่าเราจะไปเอาอาหารของมนุษย์เนี่ยไปเทวดากินจะไม่มีทางหรอกจะไปเข้าใจผิดอย่างนั้นอาหารของเทวดาเพื่อนก็มีอย่างหนึ่งต่างหากนี้อาหารของเทวดาปนิคกกือของมนุษย์กายของเทวดาละเอียดกว่ารูปกายของมนุษย์ มันจะไปกินอาหารร่วมกันได้ยังไงอ่ะดูตั้งแต่คนไทยเรานี่นะอย่างที่จะไปไปกินอาหารของอินเดียอย่างนี้กินไม่ได้คืนไม่ลงออเป็นอย่างนั้นเป็นมนุษย์เหมือนกันใดแท้นะยังกินอาหารร่วมกันไม่ได้คิดดูนี่นะวิธทางที่แท้ จ, จริงแล้วนะพระศา ส, าสดาทรงสอนให้คนเรา ทำบุญกุศลแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลนะั่นน่ะไปให้แก่ลูกเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาบ่หรือว่าไปให้พวกผูดพีปีชาตพวกเปรตพวกอมนุษย์ทั้งหลายที่ยังคล่องอยู่ในโลกสนิวัตอันนี้ เปรตมีทั้งสามที่สองกิ่พวกนูนนน่นู้นั่นแหละเราทำบุญกุศลแล้วอุทิศไปถ้าจิตวิญญาณดวงใดตั้งอยู่ในฐานะที่จะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลบุญกุศลนี่ก็จะไปกระตุ้นเตือนจิตดวงนั้นให้รู้ได้ให้ระลึกได้โอ้นี่มีคนอุทิศกุศลมาให้ แล้วก็กล่าวคำอนุโมทนาบุญกุศลที่เขาอุทิศไปนั้นเป็นอันว่าสัตว์ตนนั้นก็ได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลแล้วก็มีก็ถ้าอาหารของเขาไม่มีก็บรรดาให้เขาได้กินได้บริโภคอาหารอันนั้นเรียกว่าบุญไปตกแต่งให้อีกทีหนึง่งจึงไดก้กินได้พวก ลุกเทวดาภูมิเทวดาพูดผีเมื่อผูใ้ใดเข้าใจถูกต้องแล้ว อ, อย่างนี้ก็จะไม่งมงายจัดแจงอาหารการบริโภคต่างๆไปวางไว้ตามภูมิสถานต่างๆหมู่นะั้นจะไม่ทำเป็นเร็ดขาดเลยมองเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรทำแล้วพวกพูดผีแล้วนั้นเขาก็ไม่ได้กินอะไร ก็เหมือนอย่างเคยเล่าเรื่องอันลูกของครอบครัวหนึ่งครั้งอุตตเจ้านั่นแหละมาตายลงแล้วแม่แลระทําอาหารให้คนใช้เอาไปวางไว้บนหลุมฝังศพได้เจ็ดวันวันที่เจ็ดนี่ลูกจึงไปเข้าฝันแม่แม่ไม่รักลูกเหรืออ้าวรักที่ลูกแม่ก็รักลูกแล้วรักลูกทำไมล่ะ จึงปล่อยให้ลูกอดอาหารอยู่ถึงเจ็ดวันไม่ได้รับประทานเลยหวังงั้นนะอพอแม่นอนตื่นขึ้นมาถามคนใช้ในเมื่อวานนี้เธอเอาอาหารไปให้ลูกของเราเอาไปไว้ที่ไหนลูกนั่นเพิ่งได้กินอาหารในวันนั้นคนใช้ ย, ยังบอกว่าได้เอาอาหารไปใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ พอเดินตามทางไปแล้วผลตกนี่แม่จึงรู้ได้ว่าโอ้การทำบุญแล้วอุทิศไปให้นี้นั่นผู้ผู้ที่ตายวายชนไปนั้นถึงได้รับถึงได้อยู่ได้กินบุญกุศลจะไปตกแต่งอาหารของผีของเทวดาเหล่านั้นให้กินโดยเฉพาะ เอาอาหารของมนุษย์ไปวางไว้บนบนหลุมฝังศพไม่มีประโยชน์อะไรกินไม่ได้ขอให้เข้าใจมเมื่อผูใ้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะจะต้องคิดอีกทีหนึ่งว่าไอเรานะไม่จำเป็นที่จะต้องให้เขาคอยเขาทำบุญอุทิศให้เมื่อเวลาเราตายไปแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องคิดอย่างนั้นสอนตัวเองเข้าไปเวลาเรายังมีชีวิตยอยู่นี่เราจะต้องทำบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจะสั่งสมบุญกุศลไว้การให้เข้าน้าโภชนาอาหารเป็นทานอย่างนี้นะเมื่อตายไปเกิดไปชาติใดก็ไม่อดไม่อยาก ผลทานเหล่านี้หากไปตกแต่งให้มีอาหารถ้าไปเป็นเทวดาก็เดียว่าเป็นอาหารทิพย์นี่อาหารอละเอียดประณีตให้ได้อยู่ได้กินอย่างนี้แหละถ้าไปเกิดในกำเนิดใดในในถิ่นฐานใดบุญกุศลก็าตามตกแต่งอาหารให้ไม่อดไม่อยากอย่างนี้อันนี้สงที่บุคคลได้ทานผ้านุ่งผ้าหม่ม อย่างนี้นะเมื่อเกิดไปพบได้ชาติใดก็ไม่อดผ้านุ่งผ้าห่มก็มีผ้านุ่งผ้าห่มเหลือเพื่อออย่างนี้อย่างสมณเน้อยองค์หนึ่งจะครั้งพพุทธเจ้าตั้งแต่ชาติก่อนนั้นน่ะได้ถวายผ้าแก่ท่านพระสารีบุตรผืนหนึ่ง ก็ไม่ใช่ใครอื่นแล้วก็คือลุงของท้าวสารีบุตรนั่นเองลุงของท้าวสารีบุตรนั่นเน่ยแต่ทีแรกแล้วเพื่อนไปนับถือท่าหมหาพรมอยังไม่นับถือบุทษัทสนาเราไปทำบุญกุศลเลยก็อุทิศ ต, ต่อท่าหมหาพรมไปอย่างนั้นภาวนาก็ ปาถนาให้ได้ไปเกิดอยู่ร่วมกับเท่ามหาพรหมบริวันหนึ่งไปพบกับเท่ามหาดิบุตรเท่ามาริบุตรก็เลยถามว่าออดูก่อนอุมาสกท่านยังทําบุญกุศลอยู่หรอือว่างั้นไอ้ทาโยเมื่อทําบุญแล้วท่านปาถนาอะไรเมื่อทําบุญกุศลเวลาปาถนาให้ไปเกิดอยู่กับ ถ้าหมาพรมอย่างนี้อันนี้ท่าาษาริบุตรก็ว่าเออลุงไม่รู้หรอกลุงลุงไม่รู้จากขนทางไปพรมรุกคนอื่นที่จะรู้ยิ่งไปกลัวพระพุทธเจ้าไม่มีมาเราจะพาไปฝ่อพระพุทธเจ้าเพื่อพระ อ, องค์แนะนำสั่งสอนอย่างไรแล้วให้ปฏิบัติตาม มันถึงจะได้ไปอยู่กับท่าหมาปรมอมเหมือนกันก็ไปกับท่านภาษาลิบุตรพระองค์ก็ไปกราบทูลในพระองค์ได้ทรงทราบ พ, พระองค์จะได้ทรงแสดงคุณของพระสาวกของพระองค์คือท่านผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้บรรลุอรหัตตผลแล้วอย่างนี้ผู้ใดให้ทานแม่น้อยหนึ่งก็มีผลมาก ได้ผลมากกว่าที่ให้ทานอุทิศ ต, ต่อท่าหมาพรมนั่นหลายสิบเท่าทีเดียวว่างั้นหรือมีแสดก็เพียงแต่ได้มองเห็นสมณะผู้สงบระงับจากกิเลสแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้กราบได้ไหว้สักการบูชาอย่างนี้ก็ได้บุญกุศลไม่ใช่น้อยว่างั้นเมื่อพระองค์เจ้าแสดงให้ ลุงของท่านษาลิบุกฟังอย่างนั้นแล้วก็ได้ศรัทธาเลื่อมใสในใจในเรื่องการทำบุญต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าวันหนึ่งไปรักษาคนไข้เขาให้ผ้าห่มผืนหนึ่งที่ท่านเรียกว่าผ้าสาดอกผ้าเนือ้อยาบไม่ใช่เนื้อละเอียดเมื่อได้รับผ้า เป็นค่าตอบแทนที่ไปรักษาคนป่วยนั้นแล้วก็นึกถึงเจ้าปสาริบุตรเลยเผ้าผืนนี้เราจะเอาไปถวายธรรมสาริบุตรว่าไงผู้เป็นอาจารย์ของเราได้พบกับท่านแล้วก็เลยเอาผ้านั้นถวายแก่ท่านต่อมานี่ลุงของท่านปสาริบุตรก็ถึงแก่มรณะภาพลงแล้วก็ไปเกิด กับครอบครัวหนึ่งพ่เกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ในเมืองสวัสถีนั่นแหละพอจะเจริญไว้ใหญ่โตมาอายุเจ็ดขวบก็มีศรัทธาอยากบวชอ้อนวอนให้พ่อแม่พาไปมอบให้ธรรมสาริบุตรพ่อแม่ก็พาไปมอบให้ท ร, รานสาริบุตรท่านก็บวชเป็นสามนเณให้พอบวชมาแล้วเท่านั้นแหละวันหนึ่ง ท่านเดินไปตามบริเวณวัดเป็นฤดูหนาวไปเห็นพระนั่งจับกลุ่มกันผิงไฟอยู่ไม่มีผ้าจะหม่มจึงไปถามพวกท่านมานั่งผิงไฟกันอยู่ทำไมอา้าวมันหนาวเราไม่มีผ้าหม่มไม่ไม่เอาไฟนี่เป็นที่เพิ่งจะเอาอะไรแลวาวองั้น พวกท่านไม่มีใครถวายผ้าห่มเลยหรือไม่มีว่างนั้นอาท่านนั้นนิมนต์ท่านไปกับผมผมจะพาเข้าไปในตลาดนู่นแหละมันจะมีผู้มีศรัทธาถวายผ้าห่มว่างนั้นเดินเข้าไปโดยไม่ต้องขอนะพระเราท่า น, นเดินตามหลังสามเณรนี่คิดดูสินั่นแหละคนมีบุญนะ่ะ เดินไปสัมเาณเดินไปก่อนวันนี้เช้าตลาดนั้นเห็นเข้าก็อยากเอาผ้าห่มมาถวายเลยวนันนี้ก็เลยเอาผ้าห่มมาถวายสัมมาณีสัมมเณีก็ส่งให้พระ อ, อย่างนี้แหละวันนี้ไปเดินไปถึงร้านอื่นเขาก็ถวายไปอีกก็ส่งให้พระพระก็แจกกันไปแจกกันไปจนว่าได้ ทั่วทุกอง์เลยแต่ถ้าไม่ได้บอกจํานวนว่าติดตามสมเด็จแผ่นดไม่สุดไม่ทราบ ว, ว่ากี่ลกูกบัดนก็มีคนคนหนึ่งมาบอกไอ้บอกร้านข้างหน้านู้นนะร้านนั่นเขาถวายไอ้เขาขายทั้งผ้าเนื้อหยาบทั้งผ้าเนื้อละเอียดผ้าเนื้อละเอียดนั้นเขาเรียก ว, ว่าผ้ากําพลราคาพื้นหนึ่งตั้งแสนบาท วันนี้ก็มีคนคนหนึ่งหวังดีต่อเจ้าของร้านก็ไปบอกว่ามีสมมาเนนอง์หนึ่งพร้อมด้วยพระ เ, เดินมาหน้าร้านคน่ะคนได้เอ า, เอาผ้าห่มถวายมากันเยอะแยะเลยว่างั้นไอ้ท่านเอาผ้ากำพลราคาแสนหนึ่งมาวางไว้อย่างนี้เนยเดี๋ยวสมมาเนนมาเห็นเข้าก็จะได้เอาถวายสัมมาเนนเนี่ยนะว่างั้นอ่านี่ ท่านเอาซ่อนไว้ที่อื่นซะอย่างนี้นะแล้วก็เอาผ้าเนื้อหยาบนั่นมาอาวางไว้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้ได้ถวายผ้าเนื้อละเอียดตรงนั้นไอ้เจ้าของร้านนั้นก็เอาผ้ากผลผลําพลเผืนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในในกองผ้าที่เนื้อหยาบนั้นเมื่ อ, อไปซ่อนไว้แล้ววะนี้ สรรมเน e เดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามันก็เกิดศรัทธาขึ้นแรงกล้าเอ๊ะเรามีศรัทธาสักอย่างเดียวแล้วใครจะทำมาอ่ะเราจะต้องเอาผ้ากําพลผืนนี่แหละถวายธรรมเน en ก็เลยเดินไปหยิบเอาผ้ากําพลผืนนั้นออกมาถวายธรรมเนอ n สมณเณรก็เลยได้ผ้ากำพลราคาแสนบาทนั้นไปห่มเป็นอย่างนั้นเรื่องศาสนามันเป็นไม่ใช่เรื่องอื่นมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราอย่าเมินเฉยต่อศาสนาพระพุทธเจ้าสร้างบารามีมาเพื่อให้ได้ตัดสรู้เป็นผู้เจ้า ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือคนเรานี่เองน่ยให้พ้นจากทุกข์จากภายในสงสารคนในโลกนี่มีทุกระดับมีคนทั้งชั้นสูงลงไปถึงชั้นต่ำชั้นขอทานพระองค์ก็สงเคราะสงหาหมดเลยดังเช่นที่พระองค์เจ้า กับจากเมืองสวรรค์ชั้นดาวดิงหลังจากไปแสดงพระอภิธรรมโอษฐุธมัมมารดาและเทวดาทั้งหลายอยู่สามเดือนแล้วมาประทับยืนอยู่เชิงเขาเมืองสังกตะสาะนครก็แสดงโลกกวีวรเปิดเปิดนรกให้มนุษย์ได้มองเห็นสัตวนรกเปิดสวรรค์ให้สัตว์นรกได้เห็นพวกเทวดา นี่บรรดาพวกสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้เห็นเทวดามีความสุขความสาําราญเห็นหมู่มนุษย์มีความสุขกลัวพวกตนที่เป็นสัตว์นรกแล้วก็มานึกถึงกรรมชั่วที่ตัวทํามาแต่ก่อนอืมว่าแต่ก่อนนั้นพวกเรานะ่ะทํากรรมชั่วมาไม่ฆ่าสัตว์ก็รักทรัพย์เขา ไม่รักทรัพย์ก็ประพฤติผิดมิจฉาจารย์กรรมทำชู้จากสามีหรือภรรยาหรือมิฉะนั้นก็พูดโกหกหลอกลวงเอาสมบัติผู้เราเป็นของตนด้วยวาจาไม่จริงไม่จังหรือมิฉะนั้นก็เดิมเล่าเมาสุรากัญชายาผินเฮโรอีนอะไรหมดนี้ บาปกรรมอันนั้นมันจึงตามสนองเมื่อตายจากมนุษย์แล้วเราจึงมาตกนรกอยู่ที่นี้เราจึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนานานาประการนี่ทีนี้เมื่อพวกเรานั้นหมดกรรมหมดเวรอันนี้พ้นจากนรกไปแล้วไปเกิดเป็นคนจะรักษาสินหให้บริสุทธิ์ต่อไปจะไม่ทำบาปทำกรรมอันชั่ว นี่เพราะพุทธองค์ทรงโปรดสัตว์นรกอันนี้นะทําให้สัตว์นรกได้รู้สึกตัวเพราะว่าพวกเทวดาก็ดีพวกสัตว์นรกก็ดีพวกมันี้พวกมันนี้นั้นละลึกคืนหลังได้เช่นอย่างว่าคนตายแล้วทําบาปไปตกนรกอันนี้นะมานึกว่าเราทําบาปกรรมอะไรหนอจึงได้มาตกนรกนี่อย่างนี้ก็รู้ได้เลย ว่าเราทำบาปกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เช่นฆ่าสัตว์เป็นต้นเหล่านี้นะหรือว่าดื่มธุราเป็นที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็รู้ได้อืมแต่พวกที่ทำบุญกุศลละเว้นจากกรรมมันชั่วทำความดีใส่ตัวแล้วเช่นนี้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วบุญกุศลนั้นก็ นำให้ไปเกิดสวรรค์เมื่อเกิดสวรรค์แล้วก็ระลึกได้ว่าเอ๊ะเราทำบุญกุศลอะไรหนอถึงได้มาเกิดสวรรค์นี่ก็รู้ได้เหมือนอย่างนายพานล่าเนื้อคนหนึ่งตั้งแต่ครั้ ง, งพระเจ้านั่นวันนี้นายพานคนนั้นล่าเนื้อได้เนื้อมาแล้วก็ ให้มีเอาไปขายได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนอยู่อย่างนั้นแกนเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวอื่วันนี้อยู่มาแกเจ็บหนักลงนะแกเจ็บหนักลงจ้วนจะตายนมีพระอาราหันต์องค์หนึ่งอาศัยอยู่ใกล้บ้านนั้นท่านภาวนาพิจารณาเห็นอุปนิสัยของผานคนนั้นนะเขาพอที่จะสอนได้ พอที่จะบอกทางไปสวรรค์ให้เขาได้อยู่หัวเงน้นลูกเช้ามาท่านจึงห่มผ้าภายบาทแล้วเดินไปยืนอยู่หน้าบ้านของพานคนนั้นแม่บ้านเห็นเข้าก็พูดกับพระว่าที่นี้ไม่มีการทําบุญตักบาทเชิญท่านไปรับบิณฑบาต ท, ที่อื่นเถิดหัวเงนิน ไม่ใช่อุปธิกาอาตมามานี่นะก็มาถามข่าวว่าพ่อบ้านนี่นะได้ยินเขาวพ่อว่านนะป่วยหรือไม่ว่าั้นอ้ป่วยหนักทีเดียวแหะท่านว่าไงเข้าใจว่าจะไม่รอดแล้วว่า้นอาตมาจะขออนุญาตเยี่ยมจะได้ไหมก็ได้สิท่านนิมนต์ขึ้นบนเรือนวันนี้ก็พาท่านขึ้นไปบนเรือน ก็ขึ้นไปแล้ววันนี้ท่านก็ไปถามพราหมณ์ไปยังไงพราหมณ์โอ้เต็มทีแล้วเห็นจะไม่รอดว่างั้นเออนีเอ่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วโยมนะควรจัดสมทานศีลทะพร้อมทั้งพระไกรสารนาคมเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของตนไปในโลกหน้าต่อไปว่างั้น เอาลนะให้ว่าตามเนี่ยจะมาจะนำว่าทีนี้ท่านก็เริ่มนะโมไปพร า, า, ามนั้นก็ว่าตามไปได้นะโมไปพุทธังสระนงังคัจฉามิไปก็ว่าตามไปได้ถึงตติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิก็ว่าตามไปได้ว่านี้พอไปถึงปานาติ ป, ปาตาเวรมณีสิกขาประธานสมาธิามิเงียบ พูดไม่ได้เลยอ่พระท่านก็กาหนดพิจารณาองค์อโยมคนนี้ทำบาปมากบาปมันปิดบังเลยให้พูดไม่ออกเลยว่างั้นอ่ะอย่าเลยเราจะใช้อุบายบปนี่ว่างั้นท่านนึกถึงอุบายได้ท่านก็พูดว่าพราม์ท่านมีสุนัขหลายตัวไม่ใช่หรือที่บ้านนี่ว่างั้นเออมีหลายตัวว่างั้น มีหลายมีสุนัขหลายตัวอย่างนี้มันจะรักษายากนะว่างั้นอาตมาจะบอกคาถาผูกหมาให้แล้วหมาจะไม่ได้แตกกันไปคนละทิศละทางว่างั้นเอาไหมพอพระท่านจะบอกคาถาผูกหมาเท่านั้นพอใจแล้วเอาเอาท่านบอกมาเถิด พระท่านก็ว่าเอานะตั้งสติให้ดีว่าตามน่าโยมนะอืพุทธังพันธนะจิตตังอยอมคนนั้นแกก็ว่าตามได้ธรร ม, มังพันธนะจิตตังก็ว่าตามสังคังพันธนะจิตตังอนี้ก็ว่าตามได้ไปถึงทุกติตะติยัมปิ สังทังพันธนะจิตตังว่าตามได้เลยบันนี้เอโยมจําได้แล้วไหมจําได้แล้วว่างั้นเอถ้าจําได้แล้วให้บริกรรมเรื่อยไปนะอย่าไปลืมเหมือนกันนะรับคําจากพระพระท่านก็ลงเรือนไปบินธบัติที่อื่นพอดีท่านลงเรือนไปแล้วหน่อยหนึ่งพรามนั้นก็ตายอืม พอตายอานิสงส์ที่ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อันนั้นนะก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวบริ่มพอไปเกิดขึ้นไปได้สวยสมบัติเป็นทิพย์แล้วก็มาคึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยมันทําบุญอะไรหนอถึงได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวบริ่งนี่วะงั้นพิจารณาลงมาก็รู้ได้ว่าอืม ตั้งแต่ยังมีชีวิตมีกําลังเรี้ยวแรงดีอยู่เนเราไม่ได้ทําบุญทาทานอะไรเลยเวลาเจ็บหนักลงจนจะตายเนี่พระเถระองค์นั้นน่ะท่านมาโปรดเราท่านมาชักชวงให้เราสมทานศีลพร้อมทางไกลสารณาคมเหมือ น, นั้นเราก็ได้สมทานเอาพระไกลสารณาคมกับท่านด้วยความมั่นใจอันนี้สงอันนั้นสงให เรามาเกิดในสวรรค์ท่านดาวดิงนี่โอ้ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีคุณต่อเรามากมายแต่ถ้ า, าว่าท่านไม่ได้โปรดเอาเราอย่างนี้เราตายแล้วจะต้องไปตกนรกแน่นอนเทพบุตรตอนนั้นคิดได้อย่างนั้นแล้วก็จึงลงมาลงมามามายืนไหว้ท่านอยู่หัวทางจงกรมท่านเดินจงกรมไปก็เลยถาม เอออุปสมนี่มาแต่ไหนว่างั้นอ๋อข้าพเจ้ามาแต่สวรรค์ชั้นดาวดิง้งข้าพเจ้าก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นแหละท่านไปโปรดเอาเวลาเจ็บนักอยู่ข้าพเจ้าได้ถึงพระไกสรสารณาคมเป็นที่พึง่งด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนไากายนั่นแหละได้ส่งข้าพระ เจ้าให้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์ช่้นดาวดริณึงมอคิดเห็นคุณนูปการะของท่านจึงได้ลงมากราบมาไหว้ท่านว่างั้นแล้วท่านก็เลยตักเตือนอย่าประมาทให้บริกรรมพุทโธไว้นในใจเสมอแล้วจะได้เพิ่มภูนบุญกุศลให้ให้มากขึ้นจะได้มีอายุยั่งยืนนานไป ในสวรรค์ชั้นดาวดรืงนั้นเทวบุตรได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็จึงได้เกิดศรัทธาเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นได้รับคำพระเถระนนวัตบจริกรรมภาวนาพุโทโธไปเรื่อยแล้วว่าง้นกล่าวพันแล้วก็หายตัวขึ้นไปสู่ภิกพของตนอันนี้เรียกว่ากรรมดีอันนี้นะไอ้กรรมชั่วนั้น มันก็ยังให้ผลไม่ได้ก่อนพอดีผานป่าคนนี้นะในเวลาชวนจะตายนั้นจิตใจมันนึกยึดมั่นในคุณพระธนไกลได้เสียแล้วก็เลยปิดช่องไม่ให้บาปมันสนองก่อนในขณะนั้นอันต่อไปนะเมื่อหมดบุญหมดกรรมอันนั้นลงไปแล้วบาปที่แกทำนั่นแนะ่ะถึงจะได้อำนวยผลให้ภายหลัง ไม่ใช่ว่ามันหมดนะบาปกรรมอันนั้นน่ะเอ่มันจะต้องตามสนองอยู่แต่ว่าจิตมันนึกถึงบุญกุศลก่อนมันก็ต้องไปเสวยผลบุญก่อนอย่างนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นแหละจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะมันมีจิตนี้เป็นใหญ่เป็นประธานดังนั้นสรุปความแล้วก็ขอให้พากันรักษาจิตใจของตนให้ดีทําความเลื่อมใสในคุณ พระรัตนกายในให้มั่นคงแล้วทำความเชื่อมั่นในบุญในกุศลที่เราทำมาว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกบำรุงสุขให้แก่เราได้จริงๆอำนาจแห่งบุญแห่งคุณพระรัตนกายนี้ให้นึกให้ทบทวนในใจเสมอให้เกิดความรู้ความเห็นอันนี้ขึ้นมาในใจเราพิจารณาบ่อยๆภาวนา เพ่งพิจนาณาบ่อยๆอย่างนี้มันก็เกิดญาณความรู้ขึ้นมเมื่อมันเกิดญาณความรู้ขึ้นอย่างนี้มันก็มั่นใจเลยไม่ไม่ไม่ได้สงสัยลังเลในเรื่องบุญเรื่องคุณอะไรแบบนี้นะแล้วก็ไม่คิดที่จะไปทําความชั่วอะไรอะไรทั้งหมดคิดแต่จะทําความดีอย่างเดียว อ, อย่างนี้แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้มีญาณความรู้ ยา น, นความรู้อันนี้รักษาจิตใจของชาพุทธทั้งหลายไว้ไม่ให้ตกไปในที่ต่ำดังแสดงมาสมควรเกเวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้